กิจกรรมนึงที่สอดแทรกเข้าไว้กับการเรียนการสอนแก่นักเรียนก็คือกิจกรรมทัศนศึกษาถึงแม้จะขึ้นชื่อนะคะว่าอยู่ในชั่วโมงเรียนแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ค่ะก็จะโปรดปรานวิชาทัศนศึกษานี้มากถึงกับเคยได้ยินได้ฟังเด็กบางคนนะครับเลยว่าอยากจะให้มีการทัศนศึกษาทุกวันเพราะว่าสนุกดีไม่ต้องอุดอู้อยู่แต่ในห้องเรียนแต่ว่าคําร้องขอนี้ไม่ทราบว่าคุณครูทั้งหลายจะเห็นใจหรือเปล่านะคะ ช่วงเวลาแห่งความสนุกของชีวิตในวัยเรียนไม่ใช่เพียงการได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนเท่านั้นการได้รับคําสั่งสอนจากคุณครูคนโปรดหรือแม้แต่การได้นั่งเรียนในวิชาที่ตัวเองโปรดปรานเท่านั้นเพราะชีวิตในช่วงวัยเรียนซึ่งถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีค่าที่สุดค่ะทั้งยังเป็นช่วงเวลาแห่งความสดชื่นแจ่มใสของเด็กๆนะคะที่ไม่ต้องรับภาระอะไรให้หนักอึ้งนอกจากรับผิดชอบการเรียนให้ดีที่สุดเท่านั้น เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่น่าอิจฉาแล้วก็น่าหวนคิดถึงเป็นอย่างยิ่งในยามที่ได้ก้าวผ่านพ้นช่วงวัยเด็กมาแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามข่าวความทรงจําที่ดีที่อิ่มเอิบด้วยความสุขในวัยเด็กก็ยังคงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจในยามเหงาได้เป็นอย่างดีเมื่อหวนกลับคิดถึงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในสมัยเรียนกิจกรรมทัศนศึกษาที่จัดขึ้นโดยส่วนมากมักจะเป็นกิจกรรมของวิชาภาษาไทย หรือไม่ก็วิชาสังคมศึกษานะคะแต่ละชั้นเรียนก็จะจัดขึ้นในแต่ละปีแล้วก็จะมีเพียง1 ห, หรือ2ครั้งเท่านั้นซึ่งพื้นฐานของกิจกรรมดังกล่าวเน้นการศึกษาจากของจริงหรือสถานที่จริงแล้วก็ให้นักเรียนเขียนเป็นรายงานหรือเรียงความส่งครูอาจารย์ค่ะเมื่อครั้งที่ คุณออนอ้นงนะคะซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องนี้ค่ะสมัยที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองหรือว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะบอกว่ากิจกรรมการศึกษานอกสถานที่มักจะจัดขึ้นปีละครั้งหรือว่าสองครั้ง ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นก็มักจะเป็นการไปเยือนตามพิพิพธภัณฑ์ท่าสถานศึกษาหรือว่าแหล่งโบราณสถานที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งเมื่อแล้วเสร็จกลับมาก็ต้องมาพิมพ์รายงานหรือว่าเขียนเรียงความเพื่อรายงานหน้าชั้นอีกทีหนึ่งซึ่งก็อาจจะสนุกตอนต้นละค่ะแต่ว่าตอนปลายไม่สนุกด้วยเพราะว่าต้องเร่งปั่นรายงานส่งให้กับอาจารย์ให้ทันกําหนดจนมือแทบหงิกเลยคุณออนอโนกบอกนะคะ แต่ว่ากิจกรรมทัศนศึกษาครั้งหนึ่งที่จัดขึ้นตอนที่อยู่ชั้นม .2 เรื่องนี้คุณอ่อนอนงยังจำได้ภาพนี่แบบชัดเจนมาก คุณออน อ, อน์บอกว่าจัดโดยภาควิชาภาษาไทยคะ่ะซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจกระเคลา้ลาวความโกลาหลให้กับนักเรียนชั้นมอ .2 เป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากทัวทัศนศึกษาครั้งนั้นเสร็จสิ้นที่โรงเรียนก็ได้เกิดหัวข้อสนทนาเป็นวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ของเมืองโบราณที่เด็กนักเรียนชั้นมอ .2 กลุ่มหนึ่งเป็นต้นเรื่องกระจายข่าวนะคะซึ่งข่าวที่ว่านอกจากจะทําให้เกิดความแตกตื่นในหมู่เด็กนักเรียนด้วยกันแล้ว ยังนํามาซึ่งความลําบากใจแก่ครูบาอาจารย์หลายท่านค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่ควบคุมดูแลเด็กในวันที่เดินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองโบราณในจังหวัดสมุทรปราการนะคะเรื่องราวที่ว่าก็ได้รับการกระจายข่าวมาอีกทีหนึง่งซึ่งอาจจะมีการแต่งแต้มเติมสีเพิ่มเติมเข้าไปบ้างแต่ว่าทั้งหมดนะคะก็ได้รับการยืนยันมาจากต้นเรื่องว่าเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งผู้เล่านะคะก็คือคุณออนอโนงค่ะเป็นผู้ประสบกับเหตุการณ์สยองขวัญเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะเริ่มขึ้นเมื่อคณะอาจารย์ต้อนนักเรียนนักศึกษาชั้นม .2 เนี่ยนะคะขึ้นรถบัสขบวนยาวที่โรงเรียนจัดหามาเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ออกเดินทางโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากโรงเรียน เมื่อไปถึงที่เมืองโบราณค่ะทางเจ้าหน้าที่เมืองโบราณที่ได้รับการแจ้งกำหนดการของนักเรียนชั้นม .2 นะคะก็ออกมาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแล้วก็แจกแจงถึงประวัติความเป็นมาและก็จุดประสงค์ในการสร้างเมืองโบราณขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะที่รวมเอาสถานที่สาคัญทั่วทั้งประเทศไทยมาไว้รวมกันที่เมืองโบราณเพียงแห่งเดียวค่ะเมื่อแจกแจงรายละเอียดที่ควรทราบแล้วก็แบ่งนักเรียนออกเป็นสิกลุ่มโดยแยกกันไปเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดซึ่งต้องกินเวลามากโขเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดของเมืองโบราณนั้นกว้างมากทําให้ต้องนั่งรถต่อเป็นทอดๆเพื่อย่นระยะทางแล้วก็ให้แล้วเสร็จทันตามกําหนดนะคะที่จะ ต้องกลับถึงโรงเรียนในเวลา17บเนาฬิกาค่ะคุณออนอันงก็ไปกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มใหญ่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันถูกแยกไปทางสถานที่ทางภาคกลางก่อนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดวาอารามแล้วก็บ้านเรือนแบบไทยโบราณแต่ว่าที่โดดเด่นก็เห็นจะเป็นคุ้มขุนแผนของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เด็กผู้ชายให้ความสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาเยือนเมืองโบราณเนี่ยเพิ่งจะได้ร่ำเรียนเรื่องขุนช้างขุนแผนมา คุ้มขุนแผนที่ว่านะคะก็มีลักษณะเป็นเรือนไทยโบราณค่ะมีรูปทรงสวยงามคล้ายเรือนของจริงอาจารย์ที่คุมแถวก็มาบอกว่าเจ้าของเขาสร้างเหมือนถอดแบบมาทุกระเบียดนิ้วส่วนภายในก็มีการจัดวางข้าวของเครื่องใช้ที่คนโบราณไว้ใช้สอยแต่ที่น่าแปลกก็คือภายในคุ้มขุนแผนซึ่งเป็นบ้านทรงไทยโบราณนั้นมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะซึ่งเข้าใจว่าเป็นคนโบราณอาศัยอยู่ภายในด้วย ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่เห็นพวกนักเรียนก็แต่งตัวกันด้วยจงกระเบนนะคะผู้ชายนี่ก็เปลือยอกส่วนผู้หญิงก็มีผ้าคาดอกทรงผมก็ออกจากคล้ายกันคือเป็นทรงดอกทุ่มสั้นเกลียนตอนที่นักเรียนชั้นมสองไปดูเนี่ยนะคะก็เห็นแล้วก็ยังคุยกันว่าเขามาจัดให้ใกล้เคียงของจริงแต่ที่ไหนได้คุณผู้ฟัง มารู้ที่หลังจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางเมืองโบราณเนี่ยไม่ได้จัดให้ใครมาแสดงโชว์ภายในคุ้มขุนแผนแต่ที่เห็นน่าจะเป็นเพราะว่าตาฝาดนะคะแต่คุณออนอโณงบอกว่า ม, มันจะตาฝาดพร้อมกันทีเดียวตั้ง10บคน20คนเชิวเหรองานนี้พอมารู้ทีหลังก็ทำเอาขนลุกเหมือนกันเพราะเวลานั้นเป็นกลางวันแสกแสกแท้ อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ทําเอาคุณออนอ้นงแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆ เ, เนี่ยตกใจกันไปกับเรื่องเฮี้ยนของผีที่เมืองโบราณก็คือเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแยกไปทางพระที่นั่งสีสันเพชรมหาปราศาสต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่านะคะว่าพอเริ่มเหนื่อยก็หลบนั่งพักกันอยู่ที่ประตูทางเข้าพระที่นั่งซึ่งร่มเย็นน่านอนมากจนทําให้เคลิ้มแทบจะหลับไป แต่ว่าจังหวะที่กำลังเคลิ้มอยู่นั้นนะคะเพื่อนคนหนึ่งค่ะเห็นเหมือนเงาอะไรวูบผ่านไปแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินย่าเท้าเหมือนใครมาเดินสวนสนามก็พยายามลืมตาขึ้นมองแล้วค่ะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเนื้อตัวขยับไม่ได้เหมือนโดนใครมานั่งกดทับไว้แต่ว่าด้วยนิสัยชอบสอดส่องก็เลยพยายามลืมตาขึ้นมองภาพ และภาพที่เห็นก็คือรูปหินสลักเป็นรูปทหารจีนขนาดเท่าตัวคนจริงกําลังเดินสลับเท้าเหมือนออกเวรตรวจตราไปทั่วลานพระที่นั่งซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยทำให้นักเรียนคนที่เห็นเนี่ยแทบช็อกเพราะว่าตุกา๊กตาหินตัวใหญ่ยักษ์ที่เคยนั่งเรียงรายเป็นแถวกลับกําลังเคลื่อนไหวช้าๆไปมาเหมือนทหารยามไม่มีผิดเลยค่ะเหตุการณ์ประหลาดที่ทําเอาเพื่อนคนนันแทบบ้าเมื่อนํามาเล่าสู่กันฟังกลับไม่มีใครเห็นอย่างที่เขาเห็น แต่เมื่อนำมาผสมเข้ากับคนที่เห็นบนเรือนขุนแผนนะคะที่เป็นคนโบราณที่คุณอ่อนอนณงแล้วก็กลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นกันก็ออกจะเป็นเรื่องที่น่าจะเชื่อถือได้ผสมกับมีคำบอกเล่าถึงเมืองโบราณในแง่ที่ว่าเป็นเมืองเฮี้ยนเพราะมีผีเดินสวนสนามกันยุบยับทําให้หลายคนออกจะเชื่อเอามากๆนะคะ เรื่องนี้ใครเคยเจอมากับตัวคงรู้นะคะว่าเรื่องผีแบบนี้ไม่มีใครเขาเอามาล้อเล่นกันเป็นแน่เพราะว่ามันเป็นทางเรื่องสยองแล้วก็เรื่องสยิวนะคะแถมดีไม่ดีเมื่อเจอกับตัวพานจะเป็นใบขาไม่ขยับเอาซะด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะฟังเพื่อความบันเทิงอย่างไรก็แล้วแต่นะคะขอขอบคุณคุณออนอโณงด้วยกับเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะเรื่องผีหลอกที่เมืองโบราณ น, นะคะ เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงค่ะถูกเล่ามาจากคุณเต๋านะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีมาแล้วซึ่งเขาก็ไปกับเพื่อนค่ะที่ชื่อสมปองได้ประสบกับเรื่องนี้ขึ้นมาในคืนเดียวกันแล้วก็สามารถยืนยันให้กับผู้ที่ประสงค์จบพิสูจน์ความจริงในอดีตปัจจุบันคุณเต๋าและก็คุณสมปองนะคะต่างก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพต่างๆ ออกไปตามความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อความอยู่รอดของชีวิตในสังคมปัจจุบันแต่ทั้งสองคนนะคะี่ะก็ยังคงติดต่อกันไปมาหาสู่กันอยู่เสมอแล้วก็สามารถพาไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสถานที่จริงแล้วก็ยังคงอยู่ตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะ ในปีพศ2521นะคะคุณเต๋าบอกว่าผมจําได้ว่าเรียนหนังสืออยู่ที่ชั้นมสอสองตอนนั้นผมอายุประมาณ15ปีเมื่อสมัยที่ผมเรียนหนังสือผมได้อาศัยอยู่ที่วัดไผ่เงินและวัดนี้นี่แหละที่เป็นที่มาของเรื่องโรงเรียนที่คุณเต๋าเรียนอยู่นั้นเป็นโรงเรียนที่เพิ่งจะเปิดใหม่มีนักเรียนประมาณ200กว่าคนคะ่ะ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันกันกบวัดไผ่เงินนะคะส่วนคุณเต๋าแล้วก็คุณสมปองเนี่ยก็เป็นเด็กต่างอำเภอที่ไปสมัครเรียนไม่มีที่พักนะคะก็เลยได้ไปขอความการุณาจากท่านเจ้าอาวาสวัดไผ่เงินนะคะก็ได้รับความการุณาจากท่านเป็นอย่างดีซึ่งวันแรกที่คุณเต๋ากับคุณสมปองเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัด ก็ได้ทราบข่าวนะคะว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระที่มีอัธยาศัยดีชอบสนับสนุนเด็กให้เป็นคนดีมีการศึกษาประชาชนในเขตรั้ววัดบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็ให้ความศรัทธาหลวงพ่อรูปนี้มากด้วยเหตุนี้ค่ะที่วัดของท่านก็เลยมีลูกศิษย์ที่ไปสมัครใจเข้ารับการศึกษาแล้วก็อาศัยพึ่งพาบา ร, รมีใบบุญของท่านมากมายเลย หลวงพ่อก็ได้จัดให้พระลูกวัดในปกครองของท่านค่ะเป็นพระพี่เลี้ยงคอยควบคุมดูแลเด็กจำนวนมากดังกล่าวนะคะโดยจัดเป็นหมู่ใหญ่แล้วก็จัดให้มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆคุณเต๋าแล้วก็คุณสมปองเองก็ถูกจัดให้มีหน้าที่คอยทําความสะอาดวัดในเวลาเช้าแล้วก็เวลาเย็นค่ะด้วยเหตุที่ลูกศิษย์วัดมีจานวนมาก ก็เลยทำให้อาหารการกินไม่ค่อยจะพอกินกันทางวัดโดยท่านเจ้าอาวาสแล้วก็มัรคทายกวัดก็ได้ปลึกมสาหาสรือกันเพื่อขอความช่วยเหลือจากญาติโยมของเด็กๆที่มาอาศัยอยู่ที่วัดก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโดยการมอบถวายเงินแก่ทางวัดเพื่อจัดหาแล้วก็ซื้ออาหารมาเลี้ยงเด็กๆโดยจัดหาแม่ครัวมาช่วยทําอาหาร ถึงทางวัดจะมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากแต่ว่าทุกคนค่ะต่างก็มีความรักใคร่และก็สามารถขี่ปรองดองกันด้วยดีตลอดมาเมื่อตื่นนอนตอนเช้านะคะคุณเต๋อบอกว่าเราเองก็ต่างช่วยกันปฏิบัติหน้าที่กันตามที่ได้รับมอบหมายกันมาเมื่อเสร็จหน้าที่เราก็ต้องไปอาบน้ำแต่งตัวรอกินข้าวพร้อมกัน กินข้าวแล้วก็ทําความสะอาดจานชามเป็นที่เรียบร้อยต่างก็พากันเดินทางไปโรงเรียนซึ่งก็ห่างออกไปจากบริเวณวัดประมาณครึ่งกิโลเมตรนะคะพอตกตอนเย็นค่ะก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติถ้าวันไหนมีเวลาว่างก็ช่วยกันหากีฬาต่างๆมาเล่นกันในหมู่เด็กวัดกันอย่างสามคัคคีเช่นการตีปิงปองการเตะตะกร้อเตะฟุตบอล น, นะคะตามความถนัดของแต่ละบุคคลค่ะ พอได้เวลาประมาณ18บแนาฬิกาก็พากันไปอาบน้ําดูหนังสือทําการบ้านที่ได้รับมาจากโรงเรียนพอเวลาสองทุ่มนะี่ะท่านจะเอาวาาท่านก็จะตีระฆังให้สัญญาณทุกคนก็จะพากันรีบมาสวดมนต์แล้วก็รับฟังโอวาทจากท่านจเจ้าอาวาสแล้วก็พระผู้ปกครองพอเสร็จพิธีก็เลิกประชุมค่ะทุกคนก็ต่างกลับห้องแยกย้ายกันทําการบ้านดูหนังสือหรือว่าอาจจะนอนหลับพักผ่อนซึ่งก็จะเป็นกิจวัตรที่บรรดา พเพื่อนๆนะคะของคุณเต๋าเองแล้วก็คุณสมปองเองเนี่ยก็ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันนะคะมีอยู่เย็นวันหนึ่งค่ะเป็นช่วงของฤดูหนาวท้องฟ้าปลอดโปร่งขณะที่คุณเต๋าแล้วก็คุณสมปองเนี่ยเดินทางกลับจากโรงเรียนผ่านบ้านพักครูนะคะก็มองเห็นนกพิราบเกาะอยู่บนหลังคาบ้านพักครูความคิดของคุณเต๋าก็เลยบันเจิดขึ้นมาค่ะว่าจะจับนกพิราบเนี่ยมากิน คุณเต่าเองก็เลยออกปากชวนเพื่อนนะคะก็คือคุณสมปองค่ะเมื่อได้ฟังก็ให้การสนับสนุนทันทีตามภาษาเพื่อนรักกันน่นะคะก็จริงอย่างพระท่านว่าคนชั่วย่อมปะปนอยู่กับคนดีอย่างคุณเต่าคุณเต่าเองแล้วก็คุณสมปองเองเนี่ยนะคะเมื่อตกลงเห็นดีด้วยกันแล้วพอกลับมาถึงวัดต่างก็ช่วยกันทำพาระต่างๆ แล้วก็ที่ได้รับมอบหมายไว้นะคะจนเสร็จสิ้นก็ไปเดินตลาดจัดการหาซื้อหนังยางสติกมาผูกกับง่ามไม้ที่หาเตรียมไว้พอเสร็จแล้วก็เดินหาเก็บเม็ดหินใส่ถุงพลาสติกไว้เป็นจํานวนมากพอเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะก็ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติพอได้เวลาต่างก็แยกย้ายกันไปโรงเรียนนะคะพอตกเย็น2คนเนี่ยก็รีบกลับมาทําภารกิจต่างๆโดยเร็วเพื่อแข่งกับเวลาแล้วก็หาทางสํารวจที่อยู่ของนก แล้วก็พบนะฮะว่ามันอาศัยอยู่บนศาลาการปรเรียนบนเพดานห้องครัวของศาลาค่ะซึ่งก็มีช่องทางเข้าออกเพียงแค่2ช่องทางคุณเต่าเองจัดการหาไม้แล้วก็หาผ้ามามัดมาปิดทางนะคะทางเข้าออกของนกเนี่ยวไว้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแล้วก็กลับลงมาเพื่อรอเวลาค่ํา เมื่อได้เวลาค่ำค่ะคุณเต่าแล้วก็คุณสมปองเนี่ยเพื่อนรัก2เกลอเนี่ยก็วางแผนไม่ไปสวดมนต์โดยฝากบอกเพื่อนไปเนี่ยบอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านถามให้ช่วยตอบท่านไปบอกว่าเราสองคนเนี่ยปวดท้องเพื่อนเพื่อนต่างก็แยกย้ายไปสวดมนต์ส่วนคุณเต่าแล้วก็คุณสมปองเนี่ยก็แยกย้ายขึ้นไปบนศาราการปรเรียนเพื่อทําการจับนกโดยให้คุณสมปองขึ้นด้านที่มีผ้าปิดแล้วก็คอยดันให้ลึกเข้ามาเพื่อให้นกร่นเข้ามาหาจะได้จับง่ายๆนะคะ แต่ทำยังไรก็ไม่สาเร็จค่ะเพราะเมื่อเจ้าสมปองเนี่ยดันเอาไม้เข้ามาเท่านั้นพวกนกต่างก็ตกใจบินหนีมาทางที่คุณเต๋าดักอยู่แต่ว่าคุณเต่าเนี่ยจับมันไม่ทันมันบินหนีไปหมดตกลงจับนกไม่ได้นะฮะวันนั้นแต่ทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าไม่ละความพยายามเมื่อไม่ได้นกก็หันมาเอาไก่ดีกว่าง่ายดีเป็นอันตกลงค่ะ ธรรมดาไก่วัดมักจะนอนตามต้นไม้ในบริเวณวัดเช่นต้นพิกุลต้นโพนะคะคืนนั้นท้องฟ้าก็สว่างไปด้วยแสงจันทร์ที่สองสว่างเต็มที่เพราะว่าเป็นคืนวันพระขึ้น15บหาคำ่ำสอคนนี้ก็หันมาหยิบหนังยางสติกพร้อมกับถุงพลาสติกที่บรรจุเม็ดหินแล้วก็เดินลงจากศาลามุ่งหน้าไปยังต้นโพทันทีต้นโพต้นแรกใกล้วัดเกินไปสองคนนี้ไม่เอาเพราะว่าอิไก่เนี่ยอาจจะร้องนะคะทำให้พระในวัดได้ยินก็เลยมุ่งตรงไปยังต้นที่อยู่ใกล้กันกันกบป่าช้า เมื่อมาถึงที่หมายค่ะซึ่งเป็นบริเวณป่าช้าที่ใช้เผาศพมองเห็นเชิงตะกอนทะมึนอยู่แต่สองคนไม่ได้กลัวเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ําก็มองหาทําเลที่ไก่อาศัยนอนนะคะแต่มันไม่ค่อยสะดวกนะักเพราะว่าเมื่อเข้ามาอยู่ในเงาไม้นี่มันทําให้มองไม่ค่อยเห็นคุณเต่าก็เลยตัดสินใจค่ะยิงหนังยางสติกที่บรรจุเม็ดหินเข้าไปที่กิ่งโพที่คาดว่าไก่จะอาศัยอยู่แต่ทุกอย่างเงียบนะคะไม่มีเสียงไก่ คงมีก็แค่ค้างคาวแม่ไก่นะะีคะที่ตกใจพากันบินออกมาทําให้2คนนี้หงุดหงิดอารมณ์เสียก็เลยชวนสมปองเนี่ยยิงค้างคาวแม่ไก่แทนละกันในเมื่อหากินนกพิราบก็ไม่ได้หากินไก่ก็ไม่มีเอาค้างคาวละกันสองคนก็ตกลงกันแล้วก็เดินเลยเข้าไปในบริเวณหลังโกดังที่ใช้เก็บศพตามวัดใ น, น, ะะในชนบทที่หลังโกดังนี่เองก็มีต้นตาลอยู่หลายต้นแต่ว่ามีต้นหนึ่งนะคะสูงกว่าทุกต้นก็เริ่มมีเสียงดังคล้ายกับลมพัด แต่ก็ยังไม่ได้สนใจอะไรจนหันมาเห็นสมปองไน้ยืนตัวแข็งชี้มือไปทางต้นตาลที่สูงที่สุดต้นนั้นคุณเต๋อรีบหันหน้าไปดูค่ะตามมือของคุณสมปองคุณเต๋าบอกว่าผมแทบช็อกเพราะว่าปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยรับรองได้เลยว่าตาของผมไม่ได้ฝาดไปแน่มันเป็นคนคนแน่นอนครับแต่งตัวแบบคนจีนใส่เสื้อสีขาว แต่ที่แปลกที่สุดคือผมได้ยินเสียงหัวเราะแต่ว่าบนบ่าของเขาเนี่ยมันไม่มีหัวและแล้วนะคะร่างนั้นก็ลอยลิ่วลงมาจากยอดต้นตาลพอตกถึงพื้นร่างนั้นก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนเลยต้นตาลค่ะและที่สําคัญร่างนั้นเดินเข้ามาหาคุณเต่าแล้วก็คุณสมปอง2เกลอเนี่ยคุณเต่าเองบอกว่าผมเนี่ยตกใจสุดขีดเลยนะครับผมหันหลังกลับพร้อมกับดึงแขนเจ้าสมปองแล้วก็ออกวิ่งหนีทันที พอกลับมาถึงที่พักต่างก็เข้านอนโดยไม่ได้พูดอะไรกันตื่นเช้าก็ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นทุกวันตกเย็นหลังจากสวดมนต์เสร็จก็เข้าไปหาพระผู้ปกครองแล้วก็เล่าเรื่องการได้เจอกับผีหัวขาดตนนั้นให้ท่านฟังแต่ว่าก็ยังคงปิดบังเรื่องการออกไปยิงไก่กับนกเอาไว้ท่านเองก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าแต่เดิมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านป่ามีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนส่วนมากก็จะเป็นป่าที่มีสัตว์ป่า น, านานาชนิดอาศัยอยู่ ต่อมาก็ได้มีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะมีฐานะดีทำให้พวกโจรเนี่ยจับตัวไปเพื่อเรียกค่าไถ่ายทางญาติญาติก็จนปัญญาละค่ะไม่มีเงินจะไปไถ่ายตัวเพราะพวกโจรเรียกค่าไถ่ายแพงมาก พวกโจรก็เลยเด็�ฆ่าแล้วก็ตัดหัวชาวจีนคนนั้นแล้วก็ทิ้งศพไว้จนชาวบ้านไปพบศพทางญาติญาติแล้วก็ลูกเมียจึงนําศพใส่ลงจําปาเก็บศพไว้ที่วัดเพราะหาหัวไม่เจอจึงไม่ได้ทําการเผานะคะท่านยังบอกเลยนะคะว่าท่านก็เคยเจอมาแล้วโดยเฉพาะในคืนวันพระขึ้น15บห้าค่ำโดยท่านเห็นเป็นคนไม่มีหัวเดินเข้าไปในป่าช้าแห่งนี้คุณเต๋าบอกว่าตัวของคุณเต๋าเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยกลัวผีเลย แต่ว่าพอได้เจอจัดจะกับตัวเองในวันนั้นนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เฉยๆเพราะว่าเจอมันมากับตาของตัวเองโบราณท่านจึงห้ามไว้บอกว่าในคืนวันพระขึ้นสิทธิธรมถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านเพราะว่าคนโบราณท่านเชื่อว่าวันนี้เป็นวันปล่อยผีนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการพระเจอผีของเราในวันนี้ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยค่ะกลับมาเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องพระเจอผีของเราด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปใหม่ๆอัปเดตมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้บีด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ